ต่างๆกันตานเช้าตอเย็นไม่ได้มาไม่ค่อยมีเสียงภาพเสียงนั้นมดสภาพหูก็ไม่ดี อาจจะต้องได้ไป่อมหูสองวันมานี่เครื่องช่วยฟังไม่ค่อยปกติอาจจะต้องเข้ากรุงเทพก็ได้เครื่อง น, นี้ซื้อที่กรุงเทพสัญญากันหนึ่งปีราคาสี่หมื่นบาท ต้องไปให้ริษัทเขาดูว่าให้ที่อื่นทำเขาจะทำานได้ว่าไม่รับผิดชอบอาจจะชวนคนหัวข้องเที่ยวกับหลวงพ่อกรมวันดังแค่กักนนะไม่เงียบ อะไรก็ไม่เที่ยงในโลกนี่ตกอยู่ใสภาพไตลักเหมือนกันไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวของมันนี่เป็นสามลักษณะเสอเมอกันหมดจริงต่างๆที่อยู่ในโลกนีจะเป็น ภูเขาต้นไม้แม่น้ำศาสนาหลายสิ่งชีวิตของเราด้วยเราก็จะนั่นจงมาลู้จักอย่าเอาสิ่งไม่เที่ยงสิ่งไม่ใช่ตัวตนสิ่งเป็นทุกข์มาเป็นปัญหาจนหลงในตัวเราเนี่ย ในกายมีใจอ้ออย่าไปหลงกายหลงใจจนเกิดทุกข์เกิดโทษป่อให้กายเป็นสุขปลยกายเป็นทุกข์หลงพล่อให้กิตใจเป็นสุขหลงจนทำให้ใจเป็นทุกข์ถ้ารู้จักเรื่องกายใจดีๆจะอาศัยกายใจในี้เป็นพวงแพ่ถึงมากถึงผลเราจึงต้อง ปล่อยปะแล้วเลยไม่ได้ไม่รู้ไม่ขี้ไม่ได้ถ <c oughs> ้าไม่รู้แล้วไปขี้ก็ผิดถ้ารู้แล้วไม่ขี้ก็ไม่ถูกต้องขี้ลงไป แห่มันชัดเจนว่านี่คือความไมาเที่ยงจบียงนั้นถ้าไม่คีดความไมาเที่ยงจะโชว์ความเป็นทุกข์จะโชว์ความไม่ใช่ตัวตนมันจะโชทํทำให้เราหลงได้เขาจะโคสดาความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาทำให้เราสนใจเมือสนใจก็หลงไปกับความไมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นโทษ ถ้าเราลู้จังขี้ลงไปลู้แล้วเรียกว่าอันยาสิกอันยาสิกคือลู้แล้วขี้ลงไปมอบให้ความไปเที่ยงมันกลับไปไม่ไม่รับมาเป็นภาระถ้าไม่ลู้ไม่ขี้อะไรเลยลก็ แล้วก็ครอบงำเราเราจึงต้องมีปัญญาโลภรู้ในกายใจเรียกว่ากองสังขารนี่ให้ชัดเจนแม่นยงดูจนชมนิชนานอ่านออกเขียนได้มีสติดูกายดูใจ จนเกิดความเหม็นแช่งหรือว่าวิปัสนาญาณจะได้ประโยชน์จากกายได้ประโยชน์จา ก, ก จ, จิตใจอะไรที่เกิดอยู่กับกายกับใจได้ประโยชน์ถ้าไม่รู้มันก็เป็นโทษได้มีสติหัดตนสอนตน จะเพิงปล่อยพังวางจับให้มั่นขั้นให้เหนียวนักเราหัดขี่ควายเป็นเด็กน้อยพ่อแม่อุ้มเราขึ้นขี่หลังควายพ่อแม่คนเป็นคนจูงให้เราก็หัดขี่ไปแม่จะบอกว่าจับให้มั่นขั้นให้เหนียวไม่มีที่จับจับขนมัน จับคู่มันเคยจับคู่ไหมเคยขี่ควยไหม <laughs> มีคู่มีกระดูกมือเกาะล้องควยจับขี่เป็นแล้วไม่ต้องจับอะไรแต่หัดแล้วมันเป็นแล้วขี่ลังควยขี่ลังมา้าให้มันวิ่งไปทึงไหนก็ไปได้ไม่ตกถ้าขี่ไม่เป็นอ่ะพอจะตก การดูตัวเองกันเกี่ยวข้องกับตัวเราก็าเหมือนกันหัดให้เป็นมีสติต่างแต่ตามลมหายใจเวลานอนอย่าหาเรื่องมาชคิดให้มีสติดูลมหายใจไปจนติดกันเลยอีแรกก็เป็นลมหาใช้ลมเป็นนิมิตหายใจเข้าหายใจออก มีสติเอาไปเอามามันก็ไม่ใช่หายใจเข้ามันไม่ใช่หายใจออกมันมีสติแต่ก่อนมันต้องมีหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไปตามลมหายใจมันมีอยู่ลมหายใจมันไม่อยู่นิ่งอันลูกเนี่ยนันอยู่นิ่งไม่ได้มันเป็นทุก เป็นเป็นทุกข์เจ้าวานเจ้าเรือนมันนิ่งไม่ได้หายใจเข้าหายใจออกอยู่ส่วนโดยส่วนที่มันทนไม่ได้หายใจเข้ า, า, ออ ม, ม, า, ขามันก็ทนไม่ได้ถ้ามาหายใจออก ต้องหายใจออกหายใจออกมันก็ทนเจอดานไม่ได้ต้องหายใจเข้าหลงตาเคยเข้องที่ซีไม่เก่คอมพิวเตอร์มันมีอุโมงค์ออในเครื่องถ่ายคอมพิวเตอร์เวลาเขาให้ หมุนเข้าไปเราจะบอกเราหายใจเข้ากั้นใจไว้หายใจเข้ากั้นใจไว้จนจนเสม็นมันไม่ออกเพราะของยังไม่บอกหายใจออกได้จะมหายใจออกเ้าก็เข้าไปเข้าไปหายใจเข้า ขั้นใจไว้นานนะหายใจออกได้าหาเออมันทนไม่ได้จริงๆนะถ้าหายใจเข้าเราไม่หายใจออกอ่้าเป็นอย่างนี้ในความรู้สึกตัวของเราหัดไปกับลมหายใจให้รู้สึกตัวอย่าหายใจทิ้งไปเปล่า ไม่ได้ประโยชน์จกากการเคลื่อนไหวการเขียนเล่าจะเรียนเรื่องกายร่งใจต้องต้องต้องมีการกระทําอยู่บ่อยๆเหมือนเราไปรเรียนหนังสือต้องจับเินสอจับสมุดหมายขีดหมายเขีย น, ยนตาโรมือเขียนจนหัดเป็นเขียนจร่ง ต่อไปต่อไปไม่ต้องตาไม่ต้องดูแล้วเขียนได้เลยตัว อ, อักษรแต่ก่อนอยู่กระเดื่อยู่กกระดานอยู่ดร้งซื้อเดี๋ยวนี้มาอยู่ในคอมพิวเตอร์ชีวิตเราเนี่ยวมรู้จึกตัวก็เหมือนกันอัดไปหัดไ ป, ดไปมันก็จุดอะไร น, นี่นั่นบันทึกเอว่าตัวาลูบลืมบันทึกความหลง นอนมีแต่ความรู้เข้าไปไม่ได้บันทึกความหลงความหลงก็จาง่ายได้บางคนเจ็บในบันทึกความหลงเก็บเอาเก็บเอาบันทึกความคิดให้บันหลงก็จะความคิดใช้ความคิดมาให้หลงยังยังไม่ยังไม่ ยังไม่รู้ยังหลงอยู่น้ก็ยังบันทึกเอาเนติดลวมทุกข์วมหลงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนต้องหัดถ้าไม่หัดมันไม่เป็นนะไม่มีใครช่วยเราได้เรานอนนอนกับลมหายใจกับความรู้สึกตัว ให้มันติดกันเลยพอตื่นขึ้นมานจับลมหายใจรู้สึกตัวกับการใช้ชีวิตการลุกการตื่นข้องน้ํารู้ตัวเอง <c oughs> จนมันอยู่ด้วยกันรวมรู้สึกตัวไปในกายมันก็ติดตายอะไรที่มันคิดมันก็รู้สึกตัวได้ มันไม่คิดคิดฟรีมันคิดแล้วมีประโยชน์ทำไมรู้สึกตัวแล้วก็มีกายมีใจเท่านีน้ถ้ามันชำนาญในลมหายใจแล้วลมหายใจก็ไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวก็เป็นเรื่องของกิจไปแบบเป็นท้งกิจไปมีสติดูกิจไปอันที่ที่ เรียนจบที่หลังคือเรื่องของจิตเรียนจบเบื้องต้นคือเรื่องของกายเหมือนชั้นปฐมก็ <c oughs> ไก่ขอไข่ต้องเรียนเบื้องต้นก่อนถ้ามันรู้แล้วก็เป็นเรื่องของปัญญาไป อ, าอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องไปดูหนังสือใช้เล ย, เ, ลยเห็นหนังสือที่ไหนเอามาอ่านได้เลย รู้ความหมายไดเล ย, เลยนั่นเป็นเรื่องของคิดอา่านการฝึกตนสอนตนก็เหมือนกันท้งต้นจากกายต่อไปจะเป็นเรื่องของใจไปเลยง่ายๆเรื่องของกายมันจบไปแล้วแต่เรื่องของใจยังจบไม่เป็นท <c oughs> ุกเล้าทุกอีกสูงแลวาชกอีกหลงในความคิดเนี่ยเยอะแยะ ตาเนียดลงในกายนี่ก็ใครใครก็เห็นด้วยตาเราก็ดานเนื้อก็ดูตอนที่เห็นสัมผัติได้หลงทางใจเนี่ยไม่มีใครพอกันได้เราก็ต้องให้มันปานีตเข้าไปด้วยความรู้สึกตัวของเรามันจะหลงทางใจขนาดไหนเป็น กิเลจร่างกางยกิเลจงละเอียดล่องหมดไม่ไม่ได้หลงตรงไหนเลยเรื่องของใจแล้วก็เป็นงานที่สุดท้ายของการปฏิบัติธรรมเราจึงมีกายมีใจเราจะปฏิเสธไม่ได้มันมีแล้วปฏิบัติธรมรมปฏิบัติไปทำใหม่ ทรไมจึงต้องปฏิบัติต้องมีกายมีใจทำไมเราจ้องต้องมีกายมีใจเราจะไม่รับลู้มันหรือกายใจนี้เราจะต้องเป็นจะให้เป็นคุณหรือเป็นโทษนับใช้เป็นโทษเป็นบาปไปมันก็มีไม่เป็นเป็นไม่ถูก มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษถ้ามีเป็นเป็นถูกมันก็ไม่มีปัญหาจนถึงว่าตายเป็นเจ็บเป็นแกเป็นนัน่นก็ได้ประโยชน์จากตัวมันเองถ้าไม่มีกายมีใจมันก็ไม่มีอะไรที่จ ะ, ะประเสริฐในความได้ชีวิตมา เราจึงต้องพากันมาเพิกผลก่อนเรามีกายมีใจไม่ใช่เรื่องไล้สาระเรื่องที่มีประโยชน์เราจะไปเสียเรื่องนี้ไปได้แล้วแต่พ่อกายใจมันก็มีงานของเขาอยู่ที่เขาอยู่ไม่ได้ต้องรับใช กายก็หิวเป็นอิ่มเป็นหายใจเข้าหายใจออกเป็นเดินยืนเดินนั่งนอนเป็นกินเป็นกับถ่ายเป็นใช่กันอยู่ตลอดาบางคนใช่ไม่เป็นนง่ายก็ไปกินเหล้าไปสุบูดี ติดเส้นเจ็บติดก็ยิ่ยงเพิ่มภาละให้กับกายไปอีกแต่ที่มันจะนั่งเฉยๆมันก็ไม่ตั้งอยู่เปล่าเช็ดคนกินมากต้องเคี้ยวปากสลดเาจบจบจบจ บ, จบเอไม้ก็ไม่อยู่นิ่งจบของเคี้ยวของอม์มองอม มือไปไหนแทนที่จะเนี่ยวมือสวยๆมาแจงแขนไปเดินไปหิ้วก็ต้าหมากขึ้นรดขึ้นลาสซบุรีก็หอ่อบุรีใส่กระเป๋าต้องซื้อต้องหามาไม่ฉีดมีเหยื่อที่สูบคาบลงบางโทนขวนโลนพิษปากดำปากเขียวหมด กินมากก็ปากดำหมดเพราะยังพากันกินกันอยู่อมกันอยู่ไม่รู้จักไม่สงสารในรูดเป็นเบนเป็นกรรมอะไรเคี่ยวปากอยู่บางทีคำหมากหน้าหมากใต้ถุนฉลาโลป่องโดยช่องไม่ลอยพ้นน้าหมากแต่ก่อนก้นโมลีเตมฉลาไปบน นี่ก็ดีหน่อยก็มีถุงน้ำหมากไปด้วยขึ้นรถกันเด้อก็ถุงน้ำหมากติกกดตัวไป <c oughs> น่าสงสารลังตาเห็นเจ้าของอำเภอเชียงคานไม่ไม่ไนั่งอยู่เฉยๆอมหอดดูทอ ด, ดูจบจบจบตัตลอดเวลาว่างไม่ได้บาก เอาหอนมาอมโลดทอนจับจับจับไม้ลูดูดไปทำไมมันมีประโยชน์หลายหอนอยู่ไม่เปลี่ยนข้างซ้าข้างหัวน้ำรอนน้ำชาติกน้ำชาแก้วน้ำชาใสๆกลายเป็นสีน้ำชาไปเลย กระโถนชื่อหมางหมางลายเป็นเสียหมากไปเลยไปชวดไปงานบุญเข้ากับศาสตร์บ้านนาอ้อไปอยู่มังเลยพะแข่งขันกันสุบุรีแข่งขันกับจินหมากกระโ ถ, ถนมีทุกโูกพระ เดี๋่วงานหมดแนนน้อยขนกนระโถนห่อกระโถนเพียงหัวเนี่ยยกไปล่างเทกทระโถนลงก็สลามันก็ไม่สูงนักในองค์น้านไปข้างบนฝนตกด้วยแนนน้อยเป็นล่างกระโถนเทลงหล่อนวัดสลามันก็ที่ล่าง ด้วยลังชาลก็อยู่ในวัดฝนตกพาให้น้าหมากไหลแดงไปทั่วมาเหรียนหลานัดโอ้ยน่าสงสารเราดูแล้วนะไปกกาบพระผู้ใหญ่เอกาบตรงไหนตั้งหนึ่งก็มีหมานอนอยู่ตอนนั้นก็มีกระถนสูงขดัดงาศอกเนี่ยตั้งอยู่บังหลวงพ่อ กลับไปก็ถูกหมาบ้างถูกขอโทนว่างนั่งคุยกันมือมไหมไม่อยู่เฉยหั้วเซกตอ า, า์มาขั้วนนนีจับน้อนจับนี่อยู่นั่งอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงมือไหมหลวงพ่อใหญ่ซึ่งคนก็ไปรบต้องแย่งกันเข้ากาบ ดูแล้วไม่มีสติเลยมือไปโน่นไปนี่เรามายกเบือช่างจังหวะยังไม่ีสติก็ยกไปลองพ่อจินบังต้องังยไม่มีสติเลยพระรหัรขี้ยาพระรหัสขี้หมากตอนก็ขอโลภสงสุดตัวเองก็ยังเป็นาธาตุของหมากของอะไรกันอยู่นั่นการที่จะ กินหมากสูบุหรีเแน่ประเท่อินเดียเขาถือเช่งคาดมากถ้าสูบุหรีได้กินหมากได้มีเมียก็ได้ <c oughs> สูบบุหรีอยู่ไปมีเมียก็ได้ <c oughs> ถ้ากินหมากอยู่มีเมียก็ได้ไม่คีมีสามีก็ได้ถ้ายังกินหมากอ่า <c> เ <oughs> ขาถือกันนาดนั้นนะทางไทยเราเนี่ย ไม่เป็นไรหลวงพ่อชอบกินหมากซื้อหมากไปถวายได้บุญดีเลาพ่อชอบบุรีซื้อบุรีไปถวายได้บุญดีหลวงพ่อชอบกินกระทิแดงซื้อกะทิแดงไปถวายได้บุญดีเห็นวัดเนี่ยเขาเขียนว่า ถ้ามาวัดนี้ไม่จินหมากไม่สุบรีเขาถือว่ามาทำ บ, บุญแล้วเขาเขียนอย่างนี้ถ้ามาทํา บ, บุญวัดนี้ไม่เชี่ยวหมากไม่สุบรี่ก็ถือว่าทํา บ, บุญแล้วห้ามเอาบุหรี่ห้าหมากมาถวายพระเด็ดขาดอันนี้ก็กลัวไม่มีคนเข้าวัดไม่ออกก็ไม่ค่อยมาจอมถิ่นกลัวไม่ได้จินหมาก ไปสอนปฏิบัติธรรมที่แชวิภูมิวัดเฉลภูมิว่านาลามั็เจ้ากันจังหวัดมีแม่ใหญ่คนหนึงมาจากหนองนาแสงถือกระต้าหมากมาก็อธิษฐานวันจวนจะปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติธรรม อ, อะไร ก็มาถามน้พ่อใหญ่ว่ายังไงจำอะไรเนาะจำได้ไหมนิภาสจะเปพันเตจจิกนัตถายะกมุตถาหนังเตหิอะไข้าวเจ้าจากอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่เจ็ดวันแต่ไม่สุโอดีจะไม่กินมาก หลองตาพาขาว่าก็ว่าเราหมดทุกคนเลยแม่ใหญ่ก็ว่าเราแ mm hmm. ม่ใหญ่คนนึ่งบ้านหนองอาแสงก็ว่าไปตาต๊ก็ตามม า, มาเสียใจที่ได้ว่าไปทราบให้ได้จินหมาก เอามาล้อมหลังพ่อก็ไปหาเวลาแลกไปไปนั่งงมก็ตตาหมากเอียวใจมากที่จะไม่ได้กินมากลำเป่งลำพังสีเจียก็อ่อนผู้ก็สวยโวยสวยแต่งมงอย่างดีอาจารย์เอ้ยจะไม่ได้กินมาก เอาสีเจียดมาแย่อ่อนอุตฉาเอามาเก็ดมาก็มาผูกรอมมงหมอเจนเลยว่าน้ำตาซึมนะเสีย ใ, ใจมากวันนี้หนึ่งก็ริมพิ่ปากเคยแดงริมพิ่ปากขาวไม่มีนมหน้ามาหน้าเตอ ใจสั Jason, ran, ่นม <laughs> ันจะพวดตายหรืออาจารย์มาคือหิวหมกจางปากปากมันจางก็เอาไม่ใหญ่เอาเกลือนี่ใส่ลงไปเอาเกลือไปชิมลงไปปากมันจางมันหาวอาที่หาวอ่ะปากคนกินหวหมกเงินบ เหี้อมาเหายดีไอ้เจ้าเฮาจางปากก็พออยายามไปเป็นเพื่อนให้ไอ้ไอ้ยาทุกคนเดียว อ, อ, ยอจิปุตายหรืออาจารย์ปากจางปากหาวอาปากใจสัน้นอือตอนที่เจอก็ วันที่หนึ่งที่สองในเต็มที่เลยวันที่สามไปเบาๆที่สี่ไปเบาอันที่ห้ า, าที่หกไปเบาวิาา ว, วหน้าแดงขึ้นมายื่นอ่อนกินข้าวแช่ประจานเลยห่ามาก็มีปากกินข้าวแช่ดีวันที่สุดน่ะโอ้ยถ้าบะแม่ปราจา์มาสอนเลยแม่นเชา่ยมากกว่าเลย แค่มมนไปบุญหลายเด้เอที่ทหละคิดสั่งอยู่เพราะนั้นนะมันออกยากพอจังกว่านะต้องอดทนจักหน่อยมันกินหนักอนจุกลอคนเคยมีกิเลสตัณหา <c oughs> อดทนจักหน่อยมีสติเข้าไปบังดีบัตบีบเราจนยอมมัน ตอนที่เก็เลิกมากไดาไแม่ใหญ่บ้านหนองนาแจงเวลาพี่หลังมามาปฏิบัติอีกดูเล่า ว, วนท้วนส บ, บูนเขาชุนพูนนาแดงบากกระ่อกดำกับเข า, า, าเอาทายาชีฟันให้ด้วยเอาสานช้มสตุกสอนทุ่ม หนึ่งส่วนเกือสิน้ำตาลหนึ่งส่วนเกือก็จะตุกสารโซ่ก็สะตุกคู้จักไหมรู้จักไหมคาว่าจะตุกไปคั่วใส่หม้อกระเบื้องไปคั่วใส่โลหะไม่ได้กระทะไม่ได้ต้องใส่ดินเอาไปคั่วสารโซ่งเงาถูกไว้มันจะละลายเปิยเป็นน้าเราคนอย่าให้อย่าให้หยุด คนมันจะเป็นผงเกลือก็สตุกใสไฟร้อนจะนองขั่วขั่วอย่าให้ไหม้จนดำโปเลืงเหลืองเนี่ยเอาวางออกมามาตำมาบดบดท่านละเอียดเอาขึงทองร่อนให้สะอาดให้เฉยละเียดบดบดตำแบ่งสอนส้มส่วนหนึ่งเกลือสองส่วนผสมกันเข้า ใส่กระโบน ล, ลงไปใส่กระปุกว่าเอาไปแบ่งคนเท่าสมัยก่อนนะเอาเรื่องนี้จริงๆอะเรื่องสุบปดีเรื่องจินหมากเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครหรอกแต่ว่าหม่ควรมาสุบปดีที่นี่ไม่ควรจินหมากที่นี่แต่ก่อนเนะ่เอายาชีฝันไปให้ด้วยเวลาจางปากเอายาชีฟันอมยาชีฟัน อ๋อนี้ถ้าทำมาเนี้ยยาเป็นยาซีฟันน่ะไห้ต้องชื่อดีกว่าขอนขีดดีกว่าอะไรเกือสินเทาสอนทรงการาบูณผสมกันเข้าไปตอนจะทนทานตอนวล า, านเขาไงเอาอยาอะไรแล้วก็อมเกรือน้ำอุ่นเข้าไป ้ขนาดนี้ก็ยังสูวไมาได้กิเล่มันละเอียดปาณีชกว่านะั้นสังโยชน์จงละเอียดสังโยชน์เบื้องต้นก็จักรยทิฏฐิวิจิจ <c oughs> ิชาวชีรปตะปลามาต์เอ็นกายสว่ากายไม่เส่ยัตปุกลตัวตนเราจนไม่โอกาสมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่หลงแนว กายที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีแล้วส ก, กากยาทิฏฐิหิือกิจฉาที่จะสงสัยลังเลในข้าวัดปฏิบัติไม่มีแล้วแน่นอนแล้วต้องต้องต้นจากนี้ไปก้าวแรกคือมันหลงรู้สึกตัวมันหลงรู้สึกตัวถ้าหลงแล้วไปเอาเหตุเอาผลไม่ใช่แล้วไม่มีวิจิตไม่มีสงสัยแล้วในดานการปฏิบัติศีลรพราป ร, ปรมณ์ พิธีรีโตงต่งต่า ง, างดูจากพิธีสาธารพิธีเพียงเป็นพิธีไม่ใช่ปรบบัติอะไรก็ตามเป็นสมมุติบัญญตัตมาใช้กันภาษาคำพูดเป็นสมมุติบัญญตัตเป็นพิธีต่างๆางการสวสดการปฏิสังขาโยเอาว่าไปสังขาโยเวลาจกิเข้าวเวลารับบาทจ้าถาปจิยังเอาเป็นพิธี เอาไปพิธีแล้วก็พอว่าได้แล้วก็เอาแต่ศีลศิลปะบารมารนี้มันเกินเข้าไปนอนเอาเอาคนฆ่า <c oughs> ไปสังขยาโยเนี่ยจะไม่ฉันเพื่อเพลินสตูงสลานไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแตง่งจะฉันเพื่ออยู่ได้แห่งการนี้เพื่อบาเพ็ญภาวนา นั่นเลยว่าไม่ถือเอาศีลประบาติเอาเนื้อเอามาปฏิบัติให้มันสมผัดกับชีวิตของเราหัดตนสอนตนแค่เนี้ยสังโยชน์สามประโยชน์ห้าสังโยชน์สิบมิสติตัดไปได้เลยรมาคะปฏิคัมปนาทิติ <c oughs> ย, ยึดมันถือมันในสุขในทุกเนื้อทุกเนื้อทุกไปแล้ว ตัดไปตัดไปตัดไปแล้วก็ตัดได้ภาษาอะไรโมบุรีกันคิดหมากแนะ่มันไม่ใช่สังโยชน์มันเป็นกิเลสกับกาบเป็นกล้วยกาบรอกความโกดความโลภความหลงเป็นเป็นเปลือกกล้วยอันกาบแลกถ้าเป็นกิเลสก็เย็ดอันหยาบหยาบทำลายได้ง่ายความโลภความกดความหลง กิเลสจางกลางหยาดหยาดทิฏฐิมานะถือมั่นยึดมั่นสำคัญว่าสุขสำคันว่าทุกข์อะไรเกิดจากกายจักใจมาเป็นจบเป็นทุกข์ดังนนเราสังโยชน์สติมงดาบสังโยชนเหมือนเชือก ปลาชาอะไรเชือกมันจะช่วยดาบได้เลยติ๋วเหมนชา้างีิเลษเหมือนหมาป่าชาหมามันเหา่ชาช้างไม่ต้องกลัวติเหมือนนกอินทรีนี่วนละทมเหมือ น, มนแมลงต่อไปจะมีนกอินทรีมาช้างมาดาบมาในลานธรรมตรงนั้น ตอนตาพูดเล่นๆอาจารย์สายหยุดไปสั่งให้เขา <c oughs> ทำโูกปั้นมาคนขี้เสือก็ไม่แล้วเวรเทียมเกนก็ไม่แล้วเราสวดว่าอะไรทำทำดีย่อมได้ดีทำชั่วช่อได้ชั่วกรอยานังป้าปากานัง มำบาเปงย่อมเศร้าหมองเองทำบาเปงย่อมเศ้าหมองไม่ทำบาเปงย่อมหมดจดเองตามความชั่วเหมือนลอยเกียนหมือนตามรอยเท่าของโคฉันนั่นแล้วก็ทำเกียนมาแล้วโคก็มีแล้วดันทเทียนอยูน่นเนเห็นบ่าไหมเพี้ยนอ่าลอ่อลอยลอกเกียนหมือนตามรอยเท่าของโค เทของโคเดินไปไหนล่อหมุนตามไปตาดีลอก็หมุนไปทาชั่วล่อเกียนก็หมุนตามไปทาดีทาชั่วเหมือนรอยเท้าของโคงกรรมคือจะล่อตามเหยียบรอยโคไปกรรมดีก็ดีไปกรรมชั่วก็ชั่วไป ทำบาปเองยอมชศ้หมองเองกรรมเป็นของของตนกำไปที่พึ่งอาศัยเอาทำกับมั็นไรไว้จะต้องไรับ้วผลแห่งการนั้นนั่นละหัวเทียมเกียนที่ทำไว้แล้วนี่เจ้าภาพให้ทูนมาหนึ่งแสนบาทนฮะอันนี้เาคิดก็ไม่รู้นะฮะต่อไปกะอาจจะสำเร็จอาจจะเทียมที่นั่นในเป็นส่วนหนึ่ง น้ำปลาปลาน้ำบาดาลจะไม่อีกบ่อนัง <c oughs> จะปลาปลาธรรมชาติสถา ป, ถาปนิกเขาจะมาดูให้เขาจะทำให้อีกมัจีิวันเขาจะมาแ้วบบน้ำบาดาลเอาให้ดีเลยน้ำบ่อใหญ่ยัง ม, มีตะกอนอยู่ต่อไปจะทำบาดาลให้มันไม่มีตะกอนในแทกงน้ำ กล่องแบบธรรมชาติมีฐานในข้างบนมีหินในข้างล่างมีทายไว้ข้างล่างโฉบน้ําหลงใส่น้ําจะไปถูกฐานฐานก็ผ่านน้ําก็ผ่านฐานลงไปถูกหินที่เป็นก้อนไม่เล็กเกินไปเซินไวในหินหินก็ดูดผ่านเป็นแม่เหล็ก ดูดข้าพของน้ำออกกองลงไปไปถึงชั้นสายละเอียดสายทายทองไม่ใช่สายดินลงไปหาทายสายก็จะดูดออกกินน้าทั้งหลายที่ไม่กินดูดออกก็เสื้อมลงไปสูบส่บ่อสู่ถังแล้วก็สูบถังปล่อยไปตามสายป่ า, ปา เรนจะ่นสะอาดนอกจากน้าหมอใหญ่แล้วอีกไม่กี่วันเขาจะมาทำ <c oughs> อาจารย์ตุ่มเป็นสถาบัตนวางแผนไปเพื่อให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขหลายๆอย่างยังชิดช่วยกันอยู่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในการใช้ชีวิตร่วมกันรับผิดชอบอยู่อะไรของกินของใช้ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดความสะดวกแต่มาแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษก็ไม่ดียังเพียรพยายามเป็นที่หลงตาไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนนี้วางทุกอย่างแต่นกนอนแต่รกอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร บางทีอยากมานอนเต้นแดนด้วยแต่มันก็ไม่ดีคนจำงองหาว่าเราเนี่ยอวดอะไรมันก็ไม่ดีมาบ้างตอนกลางวันกระตีไม่อยู่ทำไมไม่นอนมาโชว์อะไรล้องตาเนี่ยบ้าแล้วว่าจะว่าหรือจะพอประมาณไม่ไม่มากใจจริงๆเลย ก็ค่อยอยู่กะติมาแต่ไหนแต่ไรมามาอยู่กะติอาจารย์สุตินสร้างกะติก่อภยัยป่าภัยให้อย่างดีก็อยู่ว่าแล้วก็หนีออกจากที่นั้นนนอนอยู่บนรถที่กะติหลวงพ่อใหญ่ทุกวันเนี่ยอารถไว้จอดเอาร ถ, ถเป็นที่นอนขึ้นประชานก็เลยเห็นนอนอยู่บนรถเลยมาสร้างกะติให้หลัง หลัคเใหญ่อยู่นั่นเดินมาป่วยตายคืนมาเขามาสร้างให้ก็ เ, เลยมีก็ดตีหลังนั่นเองถ้าจะหนีจากที่นั่นอีกก็นั้นก็ไม่ดีหนีจากหลังนั่นเ็สร้างเป็นไม่ถึงล้านอยู่กี่บาทถามจานาสินโดไม่พอหมื่นบาทเกือบจะถึงล้านแล้วทำอย่างดี เออถ้าไปนอนที่นั่นเรามจะมาคนจะมองเราบ้าๆปอบๆไปแล้วอุตส่าห์นอนอยู่ที่นี่ก่อนกลางวันบางทีก็อยากจะมาตื่นเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ตื่นเที่ยงคืนคนแก่มานอนแต่ว่าข้ามนะตื่นเด็กก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะหลับว่าจะมานอนที่เต้นเล่นๆอยู่ขอฉาบว่าบ้าอยู่แล้ว เลยไม่มาเลยนอนที่เราแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้คนแจรเป็นอายุของหมาด้จากใหมาอายุหมาจะเล่าพระผมสร้างโลกให้ฟังฟังไหมนะมันก็หมดไปแล้วหรอนะอวันใหม่ได้ไหม เอาวันนี้ก็ตด้เนาะบางทีจะไม่อยู่จะไปเที่ยวตอยัอยงไงกันนะหัวันไม่ค่อยปกติ <c oughs> เดี๋ยวรอตัวเองสักหน่อยพระผมสร้างโลกเหรอน้พระพมสร้างโลกขึ้นมา <c oughs> สร้าง <c oughs> คนสร้างหัวควายสร้างหมา สร้างลียงสัตว์สี่อย่างนคนวัวควายหมาลีงใช่ไหมคนเลยถามพระพรหมสร้างข้าพเจ้านี่มาเพื่ออะไรให้มีอายุเท่าไหร่พระพรหมว่าสร้างมาให้สนุกสนานเพลิดเพลินตั้งแต่ หนึ่งปีถึงยี่สิบปีไม่ต้องทำรายคนก็พอใจว่ามาสนุกสนานหนึ่งปียี่สิบปีเนี่ยเล่นชิปปีอับนหนามก้อนหนาวเศ้าปีเล่นสาวบาเวเบียถ้า ต, ตอนนี้กำลังสนุกไปกับเที่ยวเล่นชอบลักลักอะไรต่างๆแล้วก็ เสียดายเลยอายุน้อยเหลือเกินเกินยี่สิบปีแล้วก็หัวควายสร้างมาเพื่ออะไรสร้างมาเพื่อมารับใช้คนถไถไล่ไถนาขนล่อลากเกียนเวลาคนทําอะไรอะไรขึ้นมาให้หัวควายพาทําไถนาลากล่อลากเกียนหัวควายก็ถามว่าบอกงานให้แบบนี้ ต้องช่วยคนนะเกิดมาต้องดันค่าดันไถให้เขาทุกโรคทุกเกียนให้เขาอัวก็ถามว่าจะให้มีอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบปีอัวกพูเลยบอกว่าโอ้ยเวาลานเกิๆไปจะต้องบมากอายุตั้งยี่สิบปีเนี่ยมันนานเกินไปขอสัก1ิบปีจา้า ม่ายูหรกต้องสามสิบปีวัวควายขอขอยี่ขอสิบปียี่สิบปีมันหนาเกินไปคนได้เย็นว่ะวัวควายจะอา <c oughs> ทิ้งไปตั้งยี่สิบปีคนเลยไปขอมาเพิ่มขอเอาวัว อ, อ, อายุวัวควาย ม, มาเพิ่มของชีวิตของคน เอาบวกกับยี่สิบปีเป็นเท่าไหร่เอาว่ายี่สิบปีนะไอ้สี่สิบปีเนาะไอ้สี่สิบปีพระพรมหัวล่อไอ้คนน่ะมันโลภนะเอาเอาไปพระพผมก็ให้ไปให้ขวัวควายมีอายุสิบปีตีก็หมาก็ถทำพระพรมสร้างครับเจ้ามาเพื่ออะไร มาเพื่อรักษาทรพย์บัติให้คนเมื่อเขาทําหาจินเขาจะมีข้าวมีขอไมีอะไรต่างๆอย่านอนกลางคืนอย่านอนก็ทรัพให้คนคนมาให้เห่าให้หอนนอนอยู่ข้อโัวข้อโขยนอนอยู่บันไดเวลาใครมาให้ลู่มีกลิ่นลูกเจ้าของลูกคนอื่นอายุสามสิบปี หมาก็บอกว่าโอยลำบาเกินไปสามปีไม่ได้จับไดนอนเลยขอจัก10ปีเถอะขอทปีหมาเอาทิ้ง<ป>นะไปอยู่แล้วยี่ปีคนน้อยเด็กไปขออายุหมาไหม่ถ้าผมหัวรอะเอาไปก็เอาไปเอาไปซะแต่ต้องทำหน้าที่เป็นหมาต้องทำหน้าที่เป็นบัวเป็นควาย อาก็ลิงก็ถามาพระพรหมเองได้มีอายุเท่าไหร่อายุสามสิบปีเราจะให้มีนาที่ย่างไงให้ตลกจะอยู่นิ่งให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่าอยู่นิ่ ง, ดดเงๆเฉยๆเมื่อไม่ต้องเจ็บปั๊บๆแล้วจะอยู่ก็โดดโรเทนอย่าเดินโกโก้เหมือนกับคนไปทางไหน กดดโลดต้นอยู่บนต้นไม้มาอยู่ในดินก็แสดงให้คนหัวเราะให้คนดูไม่เบื่ออย่าอยู่นิ่งเลียงก็เฮ้ยมันนานกันไว้จะไม่อยู่ได้พักผ่อนเลยให้อยู่โนช่เฉยก็ไม่ได้ตาอยู่ต้องสามสปี่ะลีงก็บอกว่าเฮ้ยนานกันไปเอาสักสิบปีซะเลียงเอาเท่งเบียี่สิบปีไอ้คนก็ได้ยินอีก ไปขออายุลี้งมาอีกบวกเข้าไปอีกตอนสิบปีสี่สิบห้าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบเก้าสิบปีบวกเข้าไปอิฐโดยที่สุดคนก็มีอายุถึงเก้าสิบปีสูงสุดแต่รอยปีก็ไม่ใช่คนแล้วครึ่งผีครึ่งคนไปแล้ว โบราณท่านว่าสิบปีอำ น, นาจมอหนาเาช่าปีเดินเสาไม่เบื่อสามสิบปีลาเมียก่อนไก่สี่สิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีลาเมียก่อนไก่หกสิบปีเจสิบปีไปเร่ยมาตีตีกล่าคุยไม่กองตีข้องไม่ดังตีละครังไม่มวน เก้าสิบปีไข่รกระตายว่าไข่กระตายนี่เป็นอายุของสัตว์ที่นี้คนมีอายุหลวงตาบอกว่าอายุหมาตอนไหนอายุหมาคือตั้งแต่เก้าสิบปีแต่นอายุของหมามาแล้วนอนไม่ค่อยหลับตอนนอนตั้แต่หัวค่ำเดึกๆมาก็ตื่นแล้วทําไมก่อนเท่าก่นแจนอนไม่ค่อยหลับแมนบอนอนหัวค่าตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่ง ฟังเสียงหมาฮาววนได้ก็ก็แค่แค่ก็ผมเอาผู้เควยให้ลูไงหลานเขาลูกหลานเขานอนหลับผู้เฒ่าผู้เเช่ต้องมาบังอันนั้นบังนี่กันเ่้มขึ้นเหมือนชีวิตของหมาตัวหนึ่งตั้งต่ก็เป็นชีวิตช่วงอายุหมาหมาต่อตรงนี้ก็เลยนอนตั้งแต่ห้องเขตื่นตั้งแต่ดึกดึกน่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้ การแนอนหัวค่าถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวนอนดึกได้สิบปีสช้าปีไม่รู้จักแต่สามสิบปีสี่สิบปีเนี่ยอายุหัวควายดันใช่ไหมตอนน่อเน่มีลูกมีเมียมีผัวแล้วอยู่นิ่งมไาได้บ่าหาบมือหิ้วแล้วดันเหมือนวัวมันควาย ไปได้มาแบกบ่าแบกหำนักก็เอาโบสู้อาบแดดอาผลหลังสู้ผ้าหน้าสู้ดินตามดีไปเพื่อลูกเพื่อลานแลว้วบัดกลัวลูกหลานจะทุกข์จะจนดอนเหมือนวัวเหมือนควายตอนบกหาบุกดองไาอายุควายอายุหมาก็ขนาดลงตาอายุลิงอ่ะเก้าสิบปีไปเหมือนลิง ฟันก็มีเขี้ยวอาหารทียิับจับเห็นไเห็นคนแก่เขี้ยวอาหารหนฟันไม่มีเขี้ยวอาหารทีกว่าเก่าวนน้องตาเขี้ยวอาหารทีกว่าเกออ่าออคนหนุ่มอเี้ยวอาหารสิบครั้งคืนได้คนแก่เนี่ยต้องเขี้ยวอาหารยี่สิบครั้งจนเนได้ต้องชาไปเอง คนมาทางไหนมองมือลูกเป็นหลานผู้ดเหมือนลิงอไปดูเพราะอะไรเพราะไปขออายุของสัตว์เหล่านั้นมาปนกับตัวเองเขาไปอะไรพรผมก็หัวโลอ่ะเอาไปเอาไปจะต้องทำหนา้าที่เหมือนวัวมังควอยนะสิบสามสิบสปีเนี่ย อายุมาทําหน้าที่เหมือนหมานะเจ็ดปีไปอายุเจรเท่ากับทำหน้าที่เหมือนเลียงนะบางทีถ้าถือกระต่ามากยิ่งเหมือนเลีงมากก็แค่ก็แค่อยู่นิ่งไปจับประต่ามากรงนู้นเลยไม่อยู่อะไรไปตางไหนถือสักไปกอง่าถือกรต่ามาก็คุยคือแถวเพื่อต่าอันนี้บอกให้ถือกรต่ามาก็ นเนี่ยกเนี่ยุคหลองพ่อเถียนเกิดขึ้นมาเนี่ยคนทิ้งกระท่าหมากกันเยอะเลยทีเดียวทิ้งบุหรี่กันเยอะเลยแต่นอกก็มีสุโกโตประกาศไม่สุบุหรี่ไม่กินหมากคนมาที่ก็ไม่กินหมากไม่สุบุหรี่เลยถ้าไปบางวัดนะควนบุหรี่คุ้งอป็นเนนั่นเองเอ้าก็สมควรเจ็บปัญหา